นี่ก็ห้าทุมแล้วนะเราผ่านมาได้ครึ่งคืนแล้วนะนับจากที่เราเริ่มทำวัดเย็นจนถึงตอนนี้ก็ห้าชั่วโมงแล้วอี่ห้าชั่วโมงเราก็จะทำวัดเช้ารู้สึกเหมือนกับตามะหรือเปาว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะปุ๊บๆนี่ก็มาครึ่งหนึ่งของอาการปฏิบัติข้ามคืนแล้ว เมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็ยังวาดภาพจินตนาการนะว่าเมื่อถึงคราวหรือถึงเวลาที่ตมามาบรรยายเนี่ยคือห้าทุ่มเนี่ยก็นึกภาพว่าคนก็คงจะบางตานะบนาสาระไก่อาจจะมีแม่ชีอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็โยมอีกสีห้าคนแล้วก็พระอยู่จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ยัมีตุ๊กแก จิงหรีอยู่บ้างนะไม่ใช่จิงจกนะแต่ก็ไม่คิดว่าคนจะจะหนาตานะอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะก็แสดงว่ า, าพวกเราก็มีความตั้งใจดีกันจริงๆนะเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็คงทราบกันดีว่าเรามีการปลูกป่ากันที่ภูหลงนะแล้วก็คนก็ไปกันเยอะทีเดียว กว่าจะเสร็จก็ประมาณสักสามโมงบ่ายสามอาตมาก็นั่งรถของพระใหม่รูปหนึ่งนะระหว่างที่นั่งรถมาที่เนี่ยสุขโตเจ้าของรถมั้งก็เปิดซีดีคำบรรยายนธรมาคือปกติถ้าอรตมาคุ้นเคยกับเจ้าของรถก็จะบ่อยเขาปิดนะเพราะว่า <c oughs> oh. ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะมันแปลกดีนะแต่ว่าไม่รู้จักเจ้าของรถเท่าไหรก่ก็เอาก็ท่านคงอยากจะฟังนะเราก็ฟังไปแล้วทางจากสุกโตเอาจากภูหลงมาสุกโตมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ คือฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโมโนโทนมากเลยนะฟังแล้วก็เจ้าตัวยังหลับเลยนะนะก็มารู้สึกตัวตอนใกล้ๆถึงสุขโ ต, โตนะใชจริงไม่ถึงกับหลับทีเดียวแต่ว่าเคลิ้มๆน ะ, ะก็เลยเข้าใจนะคนฟังนะเวลาฟังอรตมบัญญายเนี่ยนะก็คงจะก็คงจะรู้สึกอย่างเดียวอัตมานะหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้นะ ก็คือว่ า, าฟังแล้วอาจจะชวนให้ง่วงโดยเพราะในบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะซึ่งก็หลายคนก็คงจะง่วงเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งได้มาฟังเี่อาจารย์สนใจเล่านะเรื่องโชโฟเฟอร์กับพระนะว่าพระเนี่ยนะท่านอยู่ใน อยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำนะเพราะว่าอ่พูดในคนหลับเป็นอา จ, จินนะไม่เหมือนโชเฟอร์นะโชเฟอร์นี่อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงกว่าเพราะทําให้คนตื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังยังไงก็ยังได้ขึ้นสวรรค์นนะถึงแม้จะต่ำกว่าไม่เป็นไรพูดไปนะอ่าหลายคนก็อาจจะพอฟังไปนานๆเขาก็า จ, จะเริ่มง่วงมากขึ้นนะ แต่ก็ให้ถือว่ามันเป็นการฝึกใจของเรานะเป็นการฝึกใจนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้ามันสบายถ้ามันราบรื่นเนี่ยจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะมันต้องเจออุปสรรคนะมันต้องเจ อ, อสิ่งที่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจตัวแรกๆนะ ก็คือนิวรณ์นะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้เทศน์ให้เราฟังเมื่อตอนหัวค่ำนะว่านิวรณ์เนี่ยโดยเพราะความง่วงเนี่ยมันจะมารบกวนจิตใ จ, จเราเนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยนะแต่ว่าเราจะไปมองว่ามันเป็นอุปสรรคเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฝึกใจเราด้วยนะเพราะว่า มันทําให้เราเนี่ยนะมีความฉลาดมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะถ้าว่าเราผ่านมันได้นะแต่ถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆคนที่ง่วงแล้วก็นอนง่วงแล้วนอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ mm. ก็จะไม่มีทางที่จะผ่านความง่วงไปได้เลยเทนั้นที่ความง่วงเนี่ยมันเป็นนิวร์ตัวแรกๆตัวที่เบานะมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เรา มันไม่ได้สร้างปัญหามากกว่านิวรณ์มากเท่ากับนิวรณ์ตัวอื่นเช่นความโกรธเนี่ยปฏิฆาหรือพยาบาทเนี่ยนะอันนี้มันมันร้ายแรงกว่านะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะป่วยทําให้เราเป็นโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะหรือไม่ชนะก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเพราะว่าโกรธแล้วไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขา ความง่วงเนี่ยมันเป็นนิวรณ์เด็กๆนะเป็นนิวรณเบื้องต้นที่เราต้องเรียนรู้ที่จะผ่าน ม, ามันให้ได้และการที่เราผ่านมันได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเรามีความฉลาดมากขึ้นในการที่จะรับมือกับนิวรณตัวต่อๆไปนะเพราะฉะนั้นนเวลาเราเจอความง่วงเนี่ยจินนมิทานเนี่ยเรานะ ต้องมองว่าเออเขามาฝึกเรานะเขามาฝึกเราให้ให้เราฉลาดให้เราเข้มแข็งให้เราปราดเปรียวให้เรามีสตินะว่องไวมากขึ้นนะแต่ที่จริงนิวันตัวอื่ น, นๆก็เหมือนกันนะมันเป็นประโยชน์นะอย่าไปมองว่ามันเป็นตัวขัดขวางนะรบกวนจิตใจนะสําหรับคนที่ต้องการฝึกเพื่อให้จิตสงบ ตามแนวทางสมถกรรมฐานเนี่ยจะมักจะรู้สึกรบกับนิวร์เพราะว่ามันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้มีความสงบไม่ให้ใจเป็นสมาธินะแต่สำหรับนักภาวนานะที่มุ่งนะการหลุดพ้นมุ่งให้เกิดปัญญานนะนนเนี่ยนิวเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจ นะว่านิวร์เนี่ยไม่ใช่แค่เวลามันเกิดแลเรารู้ว่ามันเกิดและเมื่อมันดับเรารู้ว่ามันดับเท่านั้นนะแต่เราเรียนรู้ต่อไปว่ามันเกิดเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้มันดับนะถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีความก้าวหน้าในการเจริญสติปัฏฐานขั้นที่สี่นะก็คือ ธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะก็คือการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมมีความหมายว่าเรามีความเข้าใจธรรมนะและธรรมเบื้องต้นที่เร า, าจะต้องเข้าใจแล้วก็ผ่านให้ได้คือนิวรณ์นะใครทีอ่อ่านพระสูตรนะสติปัฏฐานซึ่งที่จริงเราก็าสวดเป็นประจำแต่ว่า อาจจะไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้นะว่าเห็นธรรมในธรรมเนี่ยไอธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรตัวแรกหรือกลุ่มแรกคือนิวรณ์นะตัวที่สองก็คือขันนะขันห้านะกลุ่มที่สองนะคือขันห้ากลุ่มที่สมเนี่ยคืออายตนะสิบสองนะแล้วจากตัวตัวที่เป็นลบหรือเป็นตัวเหตุแห่งทุกเนี่ยก็เข้าใจธรรมะฝ่ายฝ่ายกุศลก็คือโพชง นะและสุดท้ายเนี่ยก็คือการเข้าใจอริยสัจสีนะ่ถ้าเข้าใจอริยสัจสี่อย่างทองแท้นะก็เรียกว่าสําเร็จจบกิจละนะแต่ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมาต้องผ่านด่านแรกนะก็คือนิวรณ์ผ่านด่านแรกไนที่ไม่ได้แปลคำ ว, ว่าไม่มีมันรบกวนนะมันรบกวนก็ได้นะแต่ว่าเรารู้ทันมันและเราเข้าใจเห็นว่ามันเกิด ขึ้นเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรนะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะก็เท่ากับ ว, ว่าการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยก็เริ่มนะปรากฏขึ้นแล้วนะนักาวนาคงทราบนะว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสี่ขั้นนะนะขั้นแรกคือว่าเห็นกายในกายหรือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวนะก็รู้นะรับรู้หรือว่ารู้สึกนะ ต่อมาก็เวทนานะเห็นเวทนาในเวทนาคือเมื่อมีความสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีก็รู้ทันมันนะพูดอย่างภาษาหลวงพ่อกำกับเขียนคือว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นนะมีความปวดความเมื่อยก็เห็นมันนะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะสบายก็เหมือนกันนะเห็นความสบายนะไม่ใช่เป็นผู้สบายนะกินอาหารอร่อยนะเกิดสุขเวทนาขึ้นก็ ให้เห็นความอร่อยนั่นไม่ใช่เป็นผู้อาเด็ดอร่อยนะแล้วก็เห็นจิตในจิตก็คือเห็นนะเห็นความเป็นไปเห็นอาการของใจซึ่งสุกง่ายๆที่หลวงพ่อคำเขียนได้สรุปให้เราฟังนะเมื่อตอนหัวคําว่าเห็นใจเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะอันนี้แหละนะก็เรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะของการ ปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของการจริตริปฐานแล้วเมื่อเราเห็นนะเห็นกายเก็ดเห็นใจคิดนึกนะเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นในใจและรู้ทันเห็นโดยไม่เข้าไปเป็ดเนี่ยนะมันก็ทําให้เรานะก้าวหน้าสู่ขั้นที่สี่คือการเห็นธรรมในธรรมก็คือไม่เพียงแต่รู้ว่าอ่านะมีนิวรณ์เกิดขึ้นมีความง่วงเกิดขึ้นเท่านั้นนะ ไม่เพียงแต่เห็นไม่เป็นเห็นความง่วงไม่เป็นผู้ง่วงเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะเห็นต่อไปว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรทําให้มันเกิดและมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้มันดับนั่นในขณะที่เรากําลังปฏิบัตินะเมื่อเราเห็นความง่วงเมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ให้มองว่าเออเนี่เป็นของดีนะเป็นการบ้านที่มาฝึกเรานะฝึกอะไรนะไม่ใช่ฝึกความอดทนเท่านั้น แต่ฝึกสตนะิให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นนะและต่อไปเนี่ยก็หลังจากที่เห็นนะว่ามันมีอยู่เห็นว่ามันดับไปก็จะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวออกมาว่ามันเหล่านี้เนี่ยนะก็รู้แล้วแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถึงจะเกิดได้นะไม่มีเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยดับมันก็ถึงจะดับ อันนี้แหละมันก็แสดงความจริงนะนิวรเนี่ยสามารถจะสอนธรรมหรือแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้นะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนได้พูดให้เราฟังนะเมื่อหัวคํานี่ว่าแม้กระทั่งความโกรธเนี่ยนะมันก็สอนธรรมให้กับเราได้และมันก็สามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้นะท่านพูดตอนต้นๆเลยนะนาทีแรกเลยนะท่านบอกว่า แม้ถูกด่านะแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้นะคำว่าเห็นสัจเห็นสัจธรรมเนี่ยเห็นได้หลายแงยนะ่นะเช่นเบื้องต้นเลยก็คือเห็นหรือเข้าใจเรื่องโลกธรรมนะโลกธรรมแปดโลกธรรมแปได้แก่อะไรนะก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศแล้วก็มีสรารเสริญก็ต้องเจอนินทา สารสสน์กันนินทาเป็นของคู่กันเวลาถูกด่าเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือสัจธรรมนะว่ามีคนชมก็ต้องมีคนนินทามีคนต่อว่านะลองไม่ค่อยตระหนักนะไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้เท่าไหร่นะเวลาใครชมเราก็ปลืม้มนะแต่เวลาใครว่าใครด่าก็โกรธไม่พอใจ แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราตั้งสติสักหน่อยเนี่ยนะเวลาถูกด่าเนี่ยคนที่เขาด่าเราเขากาลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะว่านี่แหละโลกธรรมนะมี ส, ร, สรรเสริญก็มีนินทานะเราต้องตั้งสติให้ดีนะเขากาลังแสดงธรรมให้เราเห็นแ้มีเรื่องเล่านะสมัยสมัยที่หลวงปู่ทองรัตนะ์กันตาศีโลเนี่ยนะ หลวงปู่ทองรักจันตดศีโลเนี่ยนะท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นท่านมีนิสัยที่แปลกจากพระรูปอื่นนะก็คือว่าท่านเป็นคนที่ผงผางนะแล้วก็ดูจากภายนอกไม่ค่อยเรียบร้อยเวลาท่านไปบิณฑบาตเนี่ยท่านก็จะขอนะท่านก็จะขออาหารจากโยมโดยพ่อโยม ท่านจะจอดจงโยมที่ไม่ค่อยชอบใส่บาตรนั่นก็จะขอนะขอข้าวบ้างขอผักบ้างนะแต่เพราะเถวายท่านท่านก็ไม่ฉันนะเพราะว่ามันมันมันอ่ครรย้ว่าเป็นอาบัตนะถ้าเ่านี้ไม่สามารถจะขอได้ถ้าเราขอหรือฉันของที่ขอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัตท่านไม่ฉันแต่ท่านขอเพราะว่าต้องการฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักให้ทานนะรู้จักใส่บาตรนะ แต่โยมจานวนนี้ไม่เข้าใจมีวันหนึ่งท่านบิณฑบาตก็มีโยมเนี่ยเขียนบัตรสนเทศใส่ลงไปในบาตรท่านรู้เลยนะท่ารู้เลยว่าเนี่ยคือบัตรสนเทศนะไม่ใช่คําชมอะ่ะเพอท่านถึงวัดนะท่านกา็ผ่าสังขาติเลยนะแล้วก็เรียกพระเนรมาเวลาผ่าสังขาติก็หมายความว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางการเป็นเรื่องสําคัญนะ เป็นเรื่องพิธีการเรียกพระเนรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้นะหลวงพ่อได้อมริตธรรมจากเทวดาได้มาแต่เช้าเลยนะอา้าวลูกเนนอ่านให้ฟังหน่อยนะเนก็อ่านนะนั่งเสียงดังเลยพระผีบ้านะเป็นพระเป็นเจ้าไม่มีศีไม่มีวินยัยไม่สำรวมประจบสอ พ, พอขออาหารชาวบ้านพระแบบนี้ แม้ห่อเหนเดินอากาศได้ก็ไม่น่ารับถือให้ออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเอาลูกตะกวดมาฝากนะนะคนที่เขียนนี่นะก็เป็นคนที่ปรารถนาดีนะอยากจะเขาเขาคิดว่าพระดีเนี่ยก็ควรจะเป็นพระที่เรียบร้อยนะแล้วก็พอเห็นหลวงปู่ทองรัฐ์เนี่ยขอข้าวชาว บ, บ้านแบบนี้ก็ไม่เข้าใจนะก็ต้องการพิทักษพุทธศาสนานะนะ เหาพระไม่ดีก็ต้องออกไปนะแต่ว่าหลวงพ่อทองรัตน์ท่านไม่กลัวเลยนะพอพอเนนอ่านจบเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ๊ยของดีนะเนี่ยเก็บไว้ใต้พะเก็บไว้อที่ถานพระธุลูกเลยนะกราบไหว้ทุกวันท่านบอกว่าเนี่ยเคยได้ยินแต่คําว่าโลกธรรมแปดนะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้เพิ่งได้เห็นของจริงนะเป็นของดีนะหายากนะเก็บเอาไวนะ้นะนะ อนอกจากท่านจะไม่ทุกข์นะไม่โกรธแล้วเนี่ยนะท่านยังเห็นว่ามันเป็นของดีนะที่จะมาสอนญาติโยมได้สอนพระเมนได้นะถือโอกาสมาสอนพัดเมนซุซะเลยวันนี้โลกกระทำแปดเป็นอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าคําต่อว่าดาทอเนี่ยนะมันสอนธรรมได้นะสอนเรื่องโลกธรรมำแปดนะท่านถึงเรียกว่าเป็นอมริตธรรมนะจากเทวดาเลย ถ้าเราตั้งจิตแบบนี้ก็ดีนะใครมาต่อว่าด่าทอเราให้ให้เราเระลึก <ๆ S 1> วันนี้เขากําลังแสดงธรรมนะเป็นอมฤตธรรมซะด้วยนะแล้วคนที่แสดงอมฤตธรรมให้กับเราเนี่ยต้องยกให้เป็นเทวดาไปเลยนะนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราตามไม่ทันนะถูกเ้าด่าแล้วก็โกรธนะถ้าตั้งสติสักหน่อยนะก็ลองนะลองพิจารณาดูว่าเราโกรธเพราะอะไร ก็ จ, จะเห็นสัจธรรมที่ลึกลงไปนะว่า เ, ออเราโกรธเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดมั่นในเราหวงแหนในหน้าตานะในภาพลักษณ์ของเราอันนี้คืออุปาทานดันั้นถ้าเรามองเห็นตรงนี้นะว่าที่เราโกรธเนี่ยนะเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานในหน้าตาในภาพลักษณ์เนี่ยนะมันก็เห็นสัจธรรมอีกขั้นหนึ่งนะ แต่คนส่วนให ญ, ญ่มองไม่เห็นนะเวลาทุกข์เวลาโกลัวนะก็ด่าเลยนะเวลาโกรธก็ประหวาดใส่นะเรียกว่าส่งจิตออกนอกเต็มที่อย่างนี้ไม่เห็นสัจธรรมเพราะเป็นผู้โกรธเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะเห็นสัจธรรมได้เนี่ยว่ามันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือเพราะกิเลสในใจเราเนี่ยเป็นก็ต่อเมื่อเรามีสติความโกรธเกิดขึ้นก็แทนที่เป็นผู้โกรธก็เห็นความโกรธแล้วก็ มองสาวหาต่อไปว่าโกรธเพราะอะไรนะไม่ใช่โกรธเพราะเขาว่าเราแต่โกรธเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนะเขาเรียกว่าอัตตาทุปาทานนะคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะอันนี้มันก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อ, อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะถ้าเรามองดีๆมองให้ถูกมองให้เป็นเนี่ยมันสอนทําให้กับเราได้ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราในสาพรพุทธการเนี่ยมีพระหลายรูปทีเดียวนะที่ท่านบรรลุธรรมเพราะเห็นเพราะได้ยินในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะทำให้เห็นธรรมขึ้นมาได้นะอย่างพระละกุลตกปปัทธิยะเนี่ยท่านเป็นพระตัวเล็กๆนะอ่า พรานึกภาพนี่ก็อาจจะคล้ายๆกับโกติอะนะตัวเล็กๆ เ, กเตี้ยๆป้อมๆเนี่ยนะพระเนี่ยนึกว่าท่านเป็นเนนะวันหนึ่งท่านเดินนะอยู่บนถนนนะแล้วก็มีรถม้าเนี่ยมีรถม้าแล่นผ่านคนที่อยู่ในรถม้านั้นเนี่ยเป็นหญิงคณิกาพอเห็นพอผ่านท่านรุกขุนตกระพติยะ เห็นท่านน่ารักนะก็ยิ้มให้ยิ้มนี่เห็นฟันขาวเลยนะท่านรักรุนระกวัฒเจ้าก็เห็นนะแต่กานที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยจะเกิดราคะนะบอกกิดว่าท่านกลับมองว่าเนี่ยโอ้หนี่คือบ่วงแห่งมารนะนี่คือสิ่งที่ล่อให้คนเนี่ยหลงติดนะในกามพอท่านเห็นโทษของรูปเนี่ยนะ ว่าเป็นสมุบวงแห่งมารเนี่ยบอกว่าท่านบรรลุธรรมไปยนะเป็นพระอนาคามีกลางถนนเลยจากการที่ได้เห็นหญิงสาวเนี่ยนะยิ้มให้นะทั้งที่สาวคนทั่วไปแล้วเนี่ยการเห็นแบบนี้เนี่ยหรือผ้าแบบนี้มันมีแต่จะกระตุ้นให้เกิดราคะแต่ท่านเห็นอีกแบบหนึง่งตอนลูกคนตะกตารพระเทียนตอนหลังก็มีมีเกร็ดเล่านะว่าเมื่อท่านได้บรรลุนิพพานเนี่ยนะเป็นพผ้ารหัน์เนี่ย นะท่านก็มีทำหน้าที่นะคล้ายๆเป็นพระที่ดูแลเรื่องการาจัดสรรอาหารการจัดสรรเรียกว่าฝ่ายสวัส ด, ดิการของวัดนั่นแหละนะท่านเป็นอรหรันนะแต่ว่าท่านทําหน้าที่เป็นฝ่ายฝ่ายสวัส ด, ดิการในวัดท่านก็ทําหน้าที่มันไอย่างดีมีครานึงก็มีพระกลุ่มหนึ่งมานะแล้วก็เห็นท่านและคุณตะ ก, กับพระเถระเดินผ่านไปนะ พระเหล่านั้นเนี่ยมาเฝ้าพุทธเจ้าก็เห็นรูปร่างของท่านละกุณฑกะพุทิยะแล้วก็อมยิ้มกันนะพุทธเจ้าเห็นพระกลุ่มนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านเห็นพระรูปเมื่อสักพู่นี้ไหมพระรูปนี้เนี่ยนะค่าพ่อค่าแม่จึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์เข้าถึงพระนิพพานพระกลุ่มนี้งงเลยนะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่บรรลุนิพพานได้เหรอ พุทเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คือฆ่าตันหาเหมือนแม่ฆ่าอัสมิมา น, นะเหมือนพ่อนคือพ่อแม่ที่ทําให้เกิดใช่ไหมแต่ว่าการเกิดในทางจิตเนี่ยคือภพชาติเนี่ยมันเกิดได้เพราะตันหาเพราะมานะนะเพราะกิเลสก้ยง่ายพ่อแม่ทําให้เกิดมาทางโลกนะแต่ว่าตันหามานะเนี่ย มันทําให้เกิดพบชาติขึ้นมาซึ่งทําให้เกิดแล้วเกิดเล่าไม่รู้จบนะเรียกว่าต้องท่องเที่ยวในสังสารวัตรนะอย่างที่เราสวดเมื่อเวลาเราสวดอทาวัดเช้าก็ดีทำวัดเย็นก็ดีเรื่องอการอุทานธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพงศ์ตัดสรุปใหม่ๆนะพงศ์ก็ได้ตัดว่าเนี่ย โคงเดินทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็จแล้วยอดเรือเราก็ลือเสร็จแล้วนะเจ้าจะทำเรืให้เราไม่ได้ต่ <haba S 2> อไปเจ้านี่คือใครก็คือตันหาตันหาทําให้เกิดการเกิดนะเมื่อฆ่าตันหาได้ดับตันหาได้ก็เหมือนกับฆ่าแม่ถ้าดับอัสมิมาดาได้ก็เหมือนกับฆ่าพ่อนะแล้วพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยนะยังฆ่าสัตสติทิฏฐิและอุเฉททิฐิก็คือฆ่ากษัตริย์ทั้งสองนะอุเฉททิฐิและสัตสติทิฏฐิเนี่ยก็คือมิจฉาทิฐิ อันนี้กลับมาว่าการที่ได้เห็นได้เห็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเป็นเนี่ยนะก็สามารถจะเห็นสัจธรรมได้พระบางรูปเนี่ยชื่อท่านติสสนะในพระไตรปิฎกนี้มีภาพที่ชื่อติสสาเยอะมากนะ่นะบางทีก็นึกว่าเป็นองค์เดียวกันแต่ที่จริงนะคนละองค์นะคนละรูองค์นี้เนี่ยท่านก็ กำลังเดินอยู่ก็ได้ยังได้ยินได้ฟังนางคณิการ้องเพลงนะร้องเพลงเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องความไม่เที่ยงอันนะความไม่เที่ยงของรักความไม่เที่ยงของสังขารความไม่เที่ยงของชีวิตนะท่านฟังน ะ, ะบอกกว่าตื่นเลยนะบรรลุธรรมเลยจากเสียงเพลงของนางคณิกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นทาง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับรู้มาไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูเนี่ยนะไม่ว่าจะบวกหรือลบนะมันสามารถจ ะ, สะแสดงสัจธรรมให้เราได้ในทนางเราเดชะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเช่นความโกรธนะหรื อ, อนิวรตัวใดก็ตามเนี่ยมันก็สแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ขอแต่เพียงว่าเราอยากเข้าไปเป็นมันก็แล้วกันนะ ไม่ว่าจะเป็นความง่วงความโกรธความเบื่อหน่ายนะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมันนะตอนแ้วก็เห็นในแง่ที่ว่ารู้ทันว่ามันเกิดขึ้นนะอันนี้คือเห็นด้วยสตินะต่อมาเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เห็นไปนานๆก็จะ เห็นอาการของมันเห็นลักษณะของมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงเห็นว่ามันมีเหตุจึงเกิดไม่มีเหตุหรือว่าเหตุ น, นั้นดับไปมันก็ดับไปด้วยตรงนี้ถ้าเห็นบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์เครือคือว่ามันไม่สามารถตั้งหรือทนในสภาพเดิมได้แล้วถ้าเห็นไปก็จะเห็นความจริงที่ลึกเลยนะว่า มันไม่มีตัวตนของมันคือมันต้องอาศัยสิ่งอื่นถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดหรือมีเหตุแล้วถ้าเหตุนั้นดับไปมันก็เสื่อมสลายไปนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองก็คื อ, อนัตตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อท่านพูดนะเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยนะท่านจะเน้นมากเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามนะนะ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความทุกข์นะมันแล้วแต่มันรว้แล้วแต่สอนทำให้เราได้ทั้งสิน้นนะท่านผู้ใตอนหนึ่งว่านะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นความโกรธมันก็สอนทำให้เราได้แต่ถ้าเป็นผู้โกรธแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นธรรมจากมันได้เลยนะอันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่า ให้เราเนี่ยนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปหัวเสียหงุดหงิดตำคาญใจเสียใจเวลามันมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนะนักปฏิบัติธรรมหลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยอยากได้ใจสงบพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไม่พอใจพอความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจนะพอความง่วงเกิดขึ้นก็ไม่พอใจอันนี้เรียกว่าพลาดโอกาสนะ าโอกาสที่เราจะได้เห็นสัจธรรมจากสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกุศลรืละอกุศลเนี่ยสำหรับนักภาวนาที่ในวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันมีค่าเสมอกันก็คือมันสอนสัจธรรมอย่างเดียวกันสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอัตตาเหมือนกันนะแต่ถ้าไปเน้นสมถานเน้นความสงบนะเราจะชอบนะ จะชอบฝ่ายกุศลจะไม่ชอบฝ่ายอกุศล น, นะปิติก็ดีถ้าได้ถ้ามีปิติชอบถ้ามีปัสสัติชอบแต่ถ้ามีนิวรณ์ไม่เอานะใจของเราที่ไม่เป็นกลางต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราพลาดโอกาสในการที่จะเห็นสัจธรรมนะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะทั้งภายนอกลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ภายในนะก็คือ นิวรหรือว่าอากุศลธรรมนะถ้าเป็นกุศลธรรมนะก็ถ้ามองเป็นมันก็สอนธรรมได้เช่นเดียวกันอันนี้รวมไปถึงเวทนาด้วยนะทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยอย่าไปรังเกยียจอย่าไปผักใสยอย่าไปมองว่าเขาเป็นศัตรูเขาสามารถแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้สามารถจะสอนอะไรเราได้มากมาย ไม่ใช่แค่สอนเรื่องความอดทนไม่ใช่สอนให้จิตใจเราเข้มแข็งอันนั้นมันยังเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเขาสามารถจะให้เราได้มากกว่า น, นั้นก็คือเผยสัธจธรรมให้เราเห็นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักภาวนานเนี่ยนะเราพร้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากภายนอกหรือว่าเกิดภายในนะแดดร้อนอากาศหนาว ยุงเยอะนะก็ไม่รังเกียจไม่ผักใสเพราะถือว่ามันเป็นการบ้าที่มาฝึกเรามันเป็นโอกาสที่จะฝึกสติให้เกิดมีขึ้นนะเอาแล้วก็พอสมควรนะก็อยุติ